พึงพากันตั้งใจให้ดีบัดนี้ถึงวาระที่เราจะต้องอบรมจิตใจของตัวเองให้เข้าถึงความสงบเพราะความสุขนั้นอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีแมะความว่าความสุขอย่างอื่นนั้น มันจะไปยิ่งกว่าความสงบนี้ไม่มีนังนั้นผู้ต้องการความสุขที่แท้จริงมันก็ต้องมาฝึ ก, กจิตใจนี้ให้เข้าถึงความสงบก็จึงจะได้พบกับความสุขแท้จริงผู้ประพฤติธรรมในพุทธศาสนานี้ก็ต้องให้มันมีจุดหมาย ถ้ามันไม่ตั้งจุดหมายไว้อย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลการปฏิบัติ น, นนะะจุดหมายประมุ่งที่จะทำใจให้สงบนั่นแหละคือจุดหมายในขั้นแรกนี้ทำอย่างไรจิตจะสงบลงไปได้เราก็ทำลงไปก็อาศัยสตินั่นแหละสำคัญมาก ถ้าสติเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่สะกดจิตนี้ให้สงบลงไปได้โดยเพ่งลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์เป็นเครื่องดำเนินหมายว่าอย่างนั้นเราจกไม่คิดไปในเรื่องอื่นใดจกดูแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้ หายใจเข้าไปถ้าไม่ออกมาก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายชีวิตของคนเรานี่มีน้อยนิดเดียวหนึ่งถ้าเพ่งดูให้จริงๆงแล้วมีอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้เองลองสังเกตดูลมหายใจเข้าออกมันก็มีอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้น ไม่ใช่มีอยู่ในอดีตที่ล่วงแล้วมามันที่ล่วงแล้วมามันก็ดับไปแล้วเนี่ยลมหายใจมันหายไปแล้วที่ล่วงแล้วมานะอนาคตลมหายใจก็ยังไปไม่ถึงมีอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านี้เองเนยะที่ให้ตัวเองรู้ว่าตนยังมีชีวิตอยู่กระเท่านี้หลย แต่มนุษย์เรามันส่วนมากอนะมันไม่ได้มาสำคัญว่าชีวิตนี่มีเท่านี้มันสำคัญว่าตนนั้นจะมีอายุยืนยาวนานไปอยู่เอ่ดังนั้นจึงได้เพิดเพลินมัวเมาจึงตั้งอยู่ในความประมาทไม่รีบเร่งบำเพ็ญบุญกุศล อันเป็นหนทางความสุขให้แก่ตัวเองเมาแต่เพลิดเพลินในการละเล่นต่างๆในการแสวงหาความสุขสนุกสนานชั่วคราวอันนี้นับาเป็นความประมาทของมนุษย์เราสำหรับผู้ใดตื่นตัวได้ไม่ประมาทก็นับว่าเป็นวาสนาของผู้นั้น เช่อย่างว่าผู้ที่คิดมาบุตรเรียนในพระพุท ธ, ธาศาสนานี้ก็นับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแต่บางคนในเบื้องต้นีนไม่ประมาทแต่ใน่าำกลางคือต่อไปเนี่ยเกิดความประมาทขึ้นก็มีในขั้นแรก รู้สึกกับปี้กับเป่าทำความดีขยันขันแข็งสํารวมตนด้วยดีทันเมื่อไปไฟกลายเป็นคนเล่นเล่กเผลอสติไม่รู้จักสํารวมกายวาจาใจของตนให้เป็นปกติเหมือนแต่ก่อนผู้นั้นก็เลยถึงซึ่งความเสื่อมการเป็นนักบวชนี่นะ เพราะนั้นทุกคนต้องรักษาความปรับความไม่ประมาทไว้ให้ได้คือรักษาสตินั่นเองเนี่ยตนพิจารณาเห็นร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรก็ให้กําหนดรู้เห็นอยู่อย่างนั้นเรื้อยไปอย่าให้มินเห็นอย่าให้มันเห็นเป็นอย่างอื่นไป เช่นร่างกายนี้เป็นอสุภะคือไม่สวยไม่งามก็ให้มันพิจารณาเห็นว่าไม่สวยไม่งามอย่างนั้นเสมอไปเมื่อร่างกายนี้มันเป็นของไม่เที่ยงก็ให้เกิดความรู้ความเห็นว่ามันไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นเมื่อร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากมันทนอยู่นิ่งนิ่งไม่ได้ ก็ให้รู้ให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ทนได้ยากจริงเพราะว่าร่างกายนี้มันต้องได้เคลื่อนไหวอยู่เรื่อยไปจึงพอประทังอยู่ได้แต่ถ้าจะมานั่งนิงน่งๆอยู่ตลอดเวลานี่ไปนี่ไม่ได้เลยหรือจะต้องนอนอยู่ตลอดเวลานี่ก็ไม่ได้อีกจะต้องเดินอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได้จะต้องยืนอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได้ นั่นมันทนมันทนอยู่ไม่ได้เลยมันทนอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยร่างกายอันนี้นะต้องเคลื่อนไหวไปมาอยู่เรื่อยไปอย่างนี้นะมันจึงพอกระทางอยู่ได้นี่แหละลักษณะแห่งความทุกข์ของร่างกายให้พากันพิจารณาดูให้มันเห็นอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปอย่างนั้นเปล่าๆแล้วเราโดยไม่ มองเห็นลึกเข้าไปกลัวนั้นธรรมดาจริงอยู่แต่ธรรมดาทุก์ต้องให้เข้าไปอย่างเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมดาเฉยๆการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานต่างๆหมดนี้นะมันเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นเลยเรื่องของความทนอยู่ไม่ได้ของร่างกายสังขาร น, นี่ ต้องได้เคลื่อนไหวไปมาอยู่อย่างนั้นนี่ต้องพิจารณาให้มันเห็นอยู่นี่แล้วมันก็จะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายทำไมมันยังเป็นอยู่อย่างนั้นบนัดนี้ก็มันบังคับไม่ได้ไม่มีอำนาจใ ด, ดในโลกจะมาบังคับร่างกายนี้มันอยู่นิ่งๆได้หรือว่าให้มันเที่ยงไม่ต้องแปรผันเป็นอย่างอื่นเลย อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้อธรรมชาติไม่ได้สร้างมาอย่างนั้นธรรมชาติสร้างขึ้นมาแล้วมันให้มันก็ให้มันแปรผันไปในที่สุดก็มันแตกดับลงอันนี้ธรรมชาติสร้างมาอย่างนี้สังขารร่างกายอันนี้นอกร่างกายอันนี้ออกไปก็เหมือนกันหมดเลย ระต้องพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทคือเป็นผู้ค้นหาความจริงของชีวิตของอัตภาพร่างกายนี้อยู่ถ้าบุคคลไม่มาเพ่งพินิจพิจารณาร่างกายให้เห็นตามสภาพความจริงอย่างว่านี่ละ่ะ เมื่อเวลาร่างกายนี้มันวิบัติลงมันแปรปรวนไปดวงจิตดวงนี้ก็เป็นทุกข์เป็นโศกแล้วนี้ทั้งสะดุ้งหวากลัวต่อความตายจิตนี่ยิ่งเป็นทุกข์หลายเมื่อใบเด็พิจารณาให้รู้รว่รวงหน้าไว้แล้วก็ตัญหามันก็ไม่บันเทาลงเลย ผู้ไดพิจารณาเห็นว่าชีวิตนี้มีปรามาน้อยนิดเดียวอย่างว่านี่นะมันก็ทําให้ตัณหาความทะเยอทะยานอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกนี้มันเบาบางลงไปเลยมไม่ทราบว่าจะไปขวนขวายไปอะไรหนักหน า, นาในเมื่อชีวิตนี้มีน้อยนิดเดียวหนึ่งไม่ทันะไรก็จะจากโลกนี้ไปแล้วบางคนผู้มีกรรม มีเวณติตา ม, มาตะกอนมันมาตัดรอนเอาอายุนี่ยังไม่ทันถึงอายุไขก็ขตายกอนแล้วบางคนพอเกิดมาได้ไม่กี่วันกี่เดือนก็ตายบางคนเกิดมาแล้วพอเป็นเด็กเป็นเล็กกําลังน่ารักเอาก็มาตายเสียบางคนเกิดขึ้นมาแล้ว พอมาเป็นเด็กนักเรียนเอา้าบางทีก็นั่งรถไปโรงเรียนรถคว่ำรถชนกันเอ้าก็ตายมูอย่างนี้เลยบางคนก็กำลังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวก็มีอันเป็นไปมาตายไปเสียบางคนก็อยู่ในวัยกลางคนเอา้า กำลังแบกภาระของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียกำลังขวันขวายตั้งเนื้อตั้งตัวให้ร่ำให้รวยให้เป็นฝั่งเป็นฝาเหมือนเพื่อนทั้งหลายาก็มามีอันเป็นไปคือมาตายจากลูกจากเมียจากคัวไปเสีย <c oughs> บางคนก็ ถึงวัยแก่วัยชราเอาร่างกายนี่ผดสุดโทมลงจะตายก็ไม่ตายฮะ น, นี่ก็ทนทุกข์ทรมานเดินไปมาท่าไหนก็ลำบากบางคนก็เป็นอมมพาดอมมาพาตนี่นานตายกว่านี่ทนทุกข์ทรมานข้าวน้ำก็ต้องให้ผู้อื่นป้อน จะไปไหนก็ต้องผู้อื่นได้ประคับประคองต้องเอาใส่รถเข็นไปนี่ตายก็ไม่ตายอันมันจะมีกำลังแข็งแรงขึ้นกลัวเก่าก็ไม่มีบางคนก็หูตึงบางคนก็ตามัวตาฝ้ามองอะไรก็ไม่เห็นชัด แต่ก็ไม่ตายง่ายนี่แหละลักษณะของความทุกขนะ์ให้พึ่งพากันพิจารณาดูให้ดีมันทนได้ยากลำบากอย่างนี้แล้วจะไปเพลิดเพลินไปเอาอะไรเล่าวันนี้จะเพลิดเพลินไปได้กี่นานกี่เดือนกี่ปีไอ้ร่างกายอันนี้มันจะมี กำลังวางชาพอที่จะให้สนุกสนานไปนะลองบวกรบคูณหารกันดูน้อยเดียวหนึ่งน ะ, ะ, <c oughs> พะเพลิเพลินมัวเมาความสุขสนุกสนานนั้นน่นนะมันแทรกอยู่้วยทุกเหมือนอย่างยาพิษเคลือบน้ำตาลดังกล่าวให้ฟังมาแล้วนั่นแหละ มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ครุกเข้ากันไปชีวิตของผู้ครองเรือนเอาฝ่ายหนึ่งพัสนุกสนานดีเอาฝ่ายหนึ่งพรกานนานพรกับเศร้าใจทับแขนใจบังเอิญเงินขาดมือลงไปไม่มีเงินจะจ่ายยิ่งเดือดร้อนใหญ่ มาเงิงเงกนก็อันนั้นก็ขาดไปอันนี้ก็ไม่มี <c oughs> ซื้อรถมากี่รถกระชำลดลงไม่มีเงินจัดซ่อมรถเอาแล้วก็เดือดร้อนแล้วปลูก <c oughs> <c oughs> บ้านแปลงเรือนอยู่อยู่ไปอยู่มาทนมีเงินน้อยจะทำให้แข็งแรงก็ไม่ไหว บ้นเรือนประชมลุดลองอ่ไม่มีเงินจะซ่อมแซมไม่มีเงินจะสร้างใหม่ก็เป็นทุกข์ไอ้นี่ลองพิจารณาดูชีวิตของคนเราเนี่ยอมันมีแต่กองทุกข์แท้ทๆนะถ้าไม่พิจารณาก็ไม่เห็นอ้าวถ้ามันทุกข์อย่างนั้นเนี่ยคนเรามันจะไม่ฆ่าตัวตายหมดเซลแล้วหรือไม่ฆ่า เพราะมันมีสุขชั่วคราวนั้นเป็นเหยื่อล้อเอา้ามันทุกข์ไปพักหนึ่งนอยหนึ่งพักหกลับมีสุขขึ้นมาอย่างนี้แหละ <c oughs> มันไปให้เพลิดเพลินสนุกสนานไปชั่วระยะหนึ่งไปไปนอนเหนมือนทุกข์ผัดปะดังประเดีขึ้นมากลุ้มใจ บางคนทุกติดต่อเนื่องกันไปนานอตัวตายโดยวิธีใดวิธีหนึ่งมีอยู่ทมไปโลกอันเนี้ยนี่พนานนาถึงเรื่องความทุกข์แห่งชีวิตนี่ก็ <c oughs> ทำไมมันถึงเป็นทุกข์อย่างนั้นก็เพราะมันเป็นอนัตตามันบังคับไม่ได้มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดร่างกายสังขารอันนี้นะ นอกร่างกายนี้ออกไปก็เหมือนกันเช่นแก้วแหวนเงินทองของมีค่าต่างๆในโลกนี้ได้มาแล้วกัดศูญหายไป <c oughs> ได้มาแล้วใช่ไปจ่ายไปมันหมดไปเอาส่วนใดที่ไม่หมดโจรขโมยมันรู้เข้ามันมาลักเอาไปหรือไม่ทชนมันก็ออก ปนเอามีดมาจี้เอาเฉยๆเนี่ยผู้เจ้าของทรัพย์กรรธมใจกันพิจารณา <c oughs> ความจริงของชีวิตนี้ให้มันรู้มันเห็นถ้าพิจารณาเห็นตามที่แนะนำมานี่นะ ตัญหามันต้องเบาวางลงแน่นอนเลยทีเดียวความทะเยอทยานอยากในจิตใจมันก็เบาลงมันจะไม่แก่กล้าขึ้นไปได้เลยเพามองดูแล้วมันไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารให้ถ้าขืนไปยึดไปถือเอาไว้เท่าใดมันยิ่งเป็นทุกข์หลายเท่านั้น <c oughs> ตัณหากับอุปาทานำเป็นคู่กันเมื่อไม่ละตัณหานี่ให้มันสงบลงมันก็ยึดถือแบบนี่นั่นแหละมากลายเป็นอุปาทานไปเมื่อมันยึดถือไว้แล้วมันก็เป็นเหตุให้แสวงหาในสิ่งที่ตนยึดไว้ในใจนั้นเมื่อแสวงหาไปไม่ได้สมหวังก็เอาแหละเป็นทุกข์แล้เดือดร้อนอ่ อย่างนี้เ่ยนอกจากจะเป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วมันความยึดความถืออันนี้มันยังเป็นตัวกรรมนำดวงกิเลสไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปไปเกิดไปชาติใดก็ไปผูกพันอยู่กับของไม่เที่ยงนั่นเลยไปผูกพันอยู่กับสร้อยคอตุ้มหูแหวนเพชรนาฬิกาขอ้อ รองเท้าส้นสูงเสื้อคุยเสื้อคุยสำหรับประดับเกียรติผู้ผู้เป็นบัณฑิตเรียนจบป ร, ริญญาตรีป ร, ริญญาโท <c oughs> ไปชื่นชมยินดีอยู่กับเครื่อง นุ่งเครื่องคมของผู้มีอำนาจเช่นตำรวจทหารเขาเอาเครื่องประดับมาติดตัวเข้าให้ดีอกดีใจว่าตนมีเกียรติมียศเวลาเกิดสงครามมาเขาก็ใช้เราไปตายก่อนพื้นนี่แหละตัญหานะที่เจรณาเอา เป็นอย่งว่าดีอยู่นี่เขายกย่องว่าทักเกล้าทหารทหารหารของชาติพอเขายกย่องเข้าไปไล้วก็ฮึกเทิมขึ้นเลยลืมตายไปนั่นแหละอันบุนีมันต้องเก็บเข้ามาคิดมาพิจารณาคนเรานะถ้าไม่พิจณาให้เห็น ความจริงของชีวิตดังกล่าวมานี่แล้วมันจึงติดมันจึงคล้องอยู่ในโลกนี้แหละมันจึงผูกพันอยู่ในโลกนี้จึงไม่อยากหนีออกจากโลกนี้เรื่องมันนะถ้าเก็บออกมาคิดมากรองดูให้ดีแล้วมันไม่เป็นสิ่งที่ควรจะปรารถนาอยากจะอยู่อยากจะผูกพันกับมันเลยโลกอันนี้นะ นักปราดทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่พระองค์ท่านพ้นไปแล้วนั่นหรือว่าพระอรหันต์ทั้งหลายนักปราดทั้งหลายที่ท่านพ้นไปแล้วนั่นก็เพระ <c oughs> <c oughs> าะท่านก็พรท่านมาพิจารณาเห็นความเป็นไปของชีวิต ตามความเป็นจริงดังกล่าวมานี้เอง <c oughs> สรุปลงแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวไม่มีตน <c oughs> ไม่มีเราไม่มีเข า, <c oughs> เาถ้าไม่มีตัวไม่มีตนอย่างนั้นเนี่ย จะทำบุญกุศลไปให้ใครพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รา ช, ชั่วทำดีไปเพื่อใคร <c oughs> ไอ้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รา ช, ชั่วทำดีนั่นก็เพราะว่ามนุษย์และสัตว์ทางหลายน่นเมื่อมันยังไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงไง มันก็ยึดเอาขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นของของตนมันพาขันห่านี่ทำดีบ้างทำชั่วบ้างไปสะสมบาปกรรมใส่ตัวเองนั่นแหละ <c oughs> บาปกรรมนั้นมันก็เลยฉุดคราาไปสู่นรกอบายภูมิได้ทนทุกข์ทรมานอยู่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลก พระองค์ได้สร้างบา ร, รมีมาก่อนคนอื่นสร้างบา ร, รมีมาเต็มแล้วก็องค์ค้นแล้วพ้นจากอำนาจแห่งตัณหานี้แล้วถึงศูนย์ยตาโนพัสนาคือเห็นแจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราโลกอันนี้เนะี่ยทั้งเห็นแจ้งด้วยทั้งพ้นด้วยนั่นแล้วพระองค์เจ้าจึงมา แนะนําสั่งสอนให้พุทธบริษัทละชั่วทําดีเมื่อละความชั่วได้ทําแต่ความดีใส่ตัวเช่นนี้ความดีคือบุญกุศลนี่มันก็ยกยอชีวิตให้สูงขึ้นไปโดยลําดับนี่แหละแล้วทําไมพระศ า, าสดาจึงสอนให้ละชั่วทําดีนะก็ทําดีเพื่อตัวเองนี่เลยตัวเองยังหลงยึด ดองถือไอ้ของไม่เที่ยงอยู่ยังปล่อยวางของไม่เที่ยงไม่ได้เพราะอะไรมันถึงปล่อยวางไม่ได้ก็เพราะว่าบุญตัวมันน้อยสติปัญญาก็น้อยนี่ต้องให้เข้าใจเหตุผลอย่างนี้เหตุนั้นนะเราจึงต้องสร้างบุญสร้างกุศลไปบุญกุศลนี่แหละมันไปหล่อร้อมจิตให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นมา <c oughs> บุคคลผู้มีปัญญาแหลมคมเต็มที่เท่านั้นแหละถึงจะถอนตนออกจากโลกอันนี้ได้ถึงจะอยู่เหนือโลกนี้ได้ถึงจะมองเห็นว่าทุกสิ่งไม่ใช่ของเรา <c oughs> แล้วก็ทั้งเห็นด้วยทั้งปรงทั้งวางลงด้วยทีนีนั่นแหละถึงจุดนั่นโนนนะมันถึงจะพ้นทุกข์ได้ถึงจะเห็นอนัตตาเฉมแจ้งได้ ถึงตรงนั้นแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนันนี้ไม่ต้องละชั่วทำดีนี่เพราะว่ามันมันพ้นแล้วนี่มันพ้นจากดีพ้นจากชั่วไปหมดแล้วจิตมันอยู่เหนือความดีความชั่วทั้งหมดแล้วความดีความชั่วชั่วเนี่ยมันเป็นสมบัติของโลกนี้จิตของผู้ใด ย, ยังไม่รู้แจ้งนะก็ต้องมาอาศัยดีกับชั่วอยู่ในโลกนี้ หมายควม่าอย่างนั้นเมื่อชั่วมันให้ผลก็เป็นทุกข์ทนทรมานไปเมื่อความดีมันให้ผลก็มีความสุขสบายไปชั่วระยะหนึ่งเป็นอยูอย่างนี้ชีวิตของมนุษย์ปุถุชนเรานะพิจารณาให้มันเห็น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็นักปรากถผู้มีปัญญาท่านพิจารณาเห็นความสุขในโลกอันนี้นะว่ามีน้อยนิดเดียวหนึ่งไม่พอแก่ความประสงค์ของดวงกิจนี้เลยความประสงค์ของกิจนี่มันต้องการมีความสุขสม่ำเสมอตลอดไปเลยไม่ต้องการให้ความสุขอันนี้มันแปรผันเป็นอย่างอื่นไป แต่แล้วมันไม่เป็ียนไปตามใจหวังส่เพราะความสุขในโลกนี้มันอิงอาศัยวัตถุสิ่งของเมื่อวัตถุสิ่งของนั้นสูญสิ้นไปความสุขอันนี้ก็สูญสิ้นไปตามกันเช่นอย่างความสุขเกิดจากการมีเงินมากการจ่ายเงินการใช้การจ่ายเงินทองมา บำรุงบำเรอชีวิตนี่ก็นะว่ามีความสุขแล้วบัณ น, นี้เมื่อเงินทองนั้นหมดลงไปแล้วเราจะวางไงบัณนฑนอตความสุขนั้นมันก็หมดไปตามกัน <c oughs> อย่างนี้แหละลองคิดดูแม้สิ่งอื่นๆที่มานําโดยความสุขให้ก็เหมือนกันนั่นแหละเช่นรถราอย่างนี้นะ ออาจริงอยู่แหละมันพาให้วิ่งไปสู่จุดหมายปลายทางได้จริงแต่แล้วไปไปมาหนอหนึ่งก็ททำรถลงแล้วเสียหายลงไปแล้วใช้การไม่ได้แล้วอา้าวผู้เจ้าของรถก็เสียดายเสียใจไอความสุขที่มีรถลานันหายไปหมดเลยความทุกเกิดขึ้นมาแทนไม่มีรถขี่วิง่งเต้นหาเงินนาทองมาซื้อรถ นี่แนหะมันได้ทั้งทุกข์ได้ทั้งสุขโลกสงสารอันนี้นะ่ะชีวิตอันท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี่นะแต่แล้วเมื่อสรุปลงสุดท้ายท่าเรามีแต่ทุกข์อันสุขที่ว่านั้นหายหน้าไปแล้วลองคิดดูเมื่อเวลาคนเราเมื่อเวลาจุนจะตายนะ่ะเราจะไปเรียกร้องหาความสุขจากที่ไหนมา ไห้ได้ความอุ่นใจแล้วมีแต่ทุกข์นั่นแหละมีแต่ความรู้สึกว่าเป็นทุกข์อย่างเดียวเมื่อเวลาชวนจะตายแท้จึงว่าอย่างนั้นก็ว่าอย่างนั้นก็ะเพาะร่างกายนี่มันอาศัยไม่ได้แล้วนี่มันมันจะแตกอยู่หรอมะร่อยอยู่แล้วนี่มันแปรปรวนไปพลังแล้วเนี่ย แล้วจะไม่ให้จิตที่อาศัยอยู่นี้เป็นทุกข์เหลือล้อนอยังไงเล่าแล้วจิตนี้เมื่อไม่รู้เท่าร่างกายอันนี้ไม่รู้เท่ากันห้านี้ปรงไม่ตกวางไม่ลงแล้วก็นั่นแหละเป็นทุกข์ใหญ่เลยจิตนี้บะนี้กระวนกระวายเดือดร้อนเลยลองคิดดูชีวิตนี้เนะี่ยเมื่อสรุปลงสุดท้ายเรามีแต่ทุกข์อย่างเดียว สุกหายหน้าไปหมดเลยท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านได้เจริญวิปัสนาปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วมากำหนดรู้แจ้งในขันหานี้ตามเป็นจริงท่านปรองท่านวางขันหานี้ได้เล็ดขาดไปแล้วจิตของท่านอยู่เหนือขันห้าแล้ววันนี้เวลาขันหานี้มันแปลผันจวนจะแตกแกระดับท่านก็ไม่เศร้าโศกจิตใจอันนั้น ท่านก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเพราะว่าท่านโปรงวางเด็ดขาดลงไปแล้วมันขาดจากกันแล้วมันไม่มีเยื่อใยเลยนี่แหละการที่บุคคลจะหลุดพ้นจะเห็นอนัตตานุปัฒนาได้โดยเจมแจ้งจริงๆ จ, จะเห็นว่าทุกสิ่งไม่ใช่ของเรา มันก็ต้องทำความดีแล้วก็ละความชั่วโดยลำดับมาจนบุญบารมีแก่กล้าจนปัญญาบาังเกิดขึ้นยังวิเศษเลยประนี้ปัญญานั่นแหละมาตัดโลกสงสารอันนี้ขาดออกจากดวงกิจนี่ขาดตอนกันเลยประเี้ <c oughs> อจิตนั่นก็เป็นโลกุตระธรรม เราว่าจิตนั้นตั้งอยู่ในธรรมเหนือโลกธรรมอนนั้นเป็นธรรมเหนือโลกไม่ใช่อยู่ใต้โลกไม่ใช่พลอยู่กับโลกที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพานนั่นแหละตอนนี้การที่คนเรานะจะมีจิตใจสูงอย่างว่านั้นนะเราก็ต้องฝึกให้มันสูงไปแต่นี่เลยแต่ อย่าให้มันคิดไปในทางต่ำ <c oughs> เช่นบวชเข้ามาแล้วอย่างนี้อย่าไปคิดสึกหาลาเพศไปเพราะการคิดสึกหาลาเพศไปอย่างนั้นมันความคิดมันตกต่ำไปแล้วนั่นนะมันถอยหลังเข้าคลองและ่าไปคิดทำบาปสิ่งใดเป็นบาปเป็นกรรมอย่า ใจอย่าไปนึกขวนหาเรื่องบาปเรื่องกรรมเพราะว่าถ้าว่าจิตคิดหวนไปหาบาปกรรมที่ตนเคยทำมาทำความพอใจในบาปนั้นอยู่นี่เรียกว่าจิตมันตกต่าไปแล้วมันไม่ได้อยู่เหนือโลกแห่งบาปกรรมเหล่านั้นแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้นะมันจะไม่หมุนไปหาความชั่วได้อีกอย่างไรอ่ะจิตใจที่เป็นอย่างนั้นนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จิตนี่มันจะอยู่เหนือโลกได้เราก็ต้องฝึกไปงแต่มันยังอยู่กับโลกนี่แหละพยายามประคองจิตนี้ไว้อย่ามันตกต่ำไปถ้าเป็นเค ร, รือข่าผู้ครองเรือนอย่างนี้ก็พยายามประคองจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้ อย่าให้จิตมันตกต่ำลงไปในทางบาปอกุศลอย่าให้มันอย่าให้จิตนี่มันไปคิดเพ่งเลงอยากจะได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนตนแสวงหามาได้เท่าไรข็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้น <c oughs> ประคองจิตนีไว้ให้ดีอย่าให้จิตนี่มันโกรธ อย่าไปสร้างความโกรธให้หนาแน่นขึ้นใน จ, ใจิตใจพยายามตัดทอนให้มันเบาบางไปเรื่อยๆ ย, ย ก, กจิตให้สูงกว่าความโกรธนั่นออย่างนี้นะจึงเรียกว่ามันถึงจะอยู่เหนือโลกได้มันถึงจะบรรลุถึงโลกุตระทาได้ถ้าไม่ฝึ ก, กจิตให้อยู่เหนือโลกไปแต่เวลาอยู่กับโลกไี่แล้ว ไม่มีทางหละมันจะอยู่เหนือโลกได้จะท่องเที่ยวเกิดตายอยู่ในโลกนี้กี่ชาติกี่ภพก็ไม่พบกับโลกุตระทำเลยดัง <c oughs> นั้นผู้ใดมีโอกาสได้มาบวชเรียนในพระพุทธศาสนานี่นะับว่าเป็นบุญวาสนาของผู้นั้นอย่างสูงเพราะผู้นั้นจะได้มีโอกาสฝึ ก, กจิตของตนให้อยู่เหนือโลกไปเรื่อย พยายามยกกิจของตัวเองให้อยู่เหนือโลกเองบากกรรมความชั่วต่งตางๆความรักความใคร่ต่งตางๆโมนี้นะให้มันห่างไกลไปเรื่อยๆเรามีโอกาสที่จะได้ฝึกตนอย่างนั้นจริงๆเลยถ้าไปครองเรือนแล้วนั้นมันก็เหมือนกับปลามันไปแช่อยู่ในน้ำนั่นเองเลย น้ำน้ะมันจะเย็ยนอย่างไรปลามันก็ทนทุกข์อยู่ไปอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันพอใจในน้ำมาแต่กำเนิดแล้วถ้ามีคนจับโยนขึ้นบนโบกนี่ดิ้นกระเสือกกระสนอยากจะลงไปหาน้ำอ่ก็อุป ม, มาได้เหมือนกับกุลระบุตรกุลธีดาที่เกิดมาในโลกนี้แหละสำหรับผู้นับถือพุทธศาสนา มารดาบิดาก็นับถือพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าเมื่อตนได้ลูกได้หลานมาก็ประสงค์อยากจะให้ลูกหลานของตนสืบพุทธศาสนานี้ก็จึงพยายามชักจูงแนะนำให้เกิดสรนทะพอใจในการบวชเรียนในพุทธศาสนา ตายลูกหลานขัดพ่อแม่ไปได้กระตกลงมาบวชก็มาบวชเข้าไปแล้วอา้าวร้อนไม่ได้อาบอยากไม่ได้กินเข้ามาแล้ววันนี้ก็จิตกระดิ้นเลยวันนี้ดิ้นอยากไปแสวงหาสิ่งที่ต้องการเหมือนเดิมไหร้อนให้มันได้อาบเลยอยาให้มันได้กินเลยเอาแล้ววันนี้นึก หวนหานึกทบตัวนหาความสุขชั่วคราวที่ตนได้สัมผัสกับมันมาแล้วก็ไม่เป็นอันนั่งสมาธิภาวนาไม่เป็นอันเดินจงกรมวุ่นวายเดือดร้อนเหมือนกับเขาจับปลาได้แล้วก็โยนขึ้นบนบกนั่นเลยนิ่งกระเสือกกระสนไป ก็เมื่อผูดด้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็ไม่ควรประมาทยอย่างนั้นเพราะว่ามันมีแต่ทุกข์ในโลกมีดังพรนานายฟังมานั่นแหละแต่บางคนก็มีเจตนาศรัทธาอยากบวชได้ตนเองจริงๆก็มีเมื่อเวลาศรัทธามันยังเกิดปีติมันยังเกิดอยู่ในใจนั้นกิเลส หยาบหยาบต่างๆมันก็บันเทาลงไม่ปรากฏอย่างนี้นะก็มาปึกคนอารมณ์ตนอยู่ในวัดจ้นได้บวชได้เรียนเลยแบบนี้พ อ, อ, อ, อบวชเข้ามาแล้วบนวนันิคกิเลสเรานีมันคอยเชิงอยู่นี่เพราะว่าตนเผลอสติเข้าไปแล้วมันก็ครอบงําเอาทันทีเลย ตนไม่รู้มายาของกิเลสก็เลยดิ้นไปตามอำนาจของกิเลสแล้ววันนี้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะสาเหตุที่ผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี้จะอยู่ไปไม่ได้แต่เพราะเหตุผลดังกล่าวมานี้เองเพราะฉะนั้นทุกคนนะ่ะจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้ไปได้นะ เมื่อ็ต้องอาศัยการมาเจริญสมาธิภาวนาได้มาเพ่งพิจารณาเหตุผลแห่งชีวิตดังบรรยายให้ฟังมานี่นะให้มันเห็นแจ้งตามเป็นจริงไปแล้วกิเลสมันก็จะไม่เป็นตัวมานมาคอย ฉุดคล้าเอาดวงกิจที่ให้ดิ่นไปแสวงหาของไม่เที่ยงไม่ยังยืนดังกล่าวมาแล้วนั่นต่อไปเพราะฉะนั้นผู้ที่กำลังฝึกค้นอบรมตนจะบวชอยู่ก็ถทึงเพิ่งเข้าใจว่าอย่างนี้ต้องระ ม, รมัดระวังไอมารมันจะมาขัดขวางเอา การที่เพื่อนให้ฝึกตนเซะก่อนให้นานพอสมควรก่อนจึงค่อยบวชนั่นก็เพื่อต้องการจะให้ทดสอบกำลังใจตัวเองว่าตนจะสู้กับกิเลสได้ไหมนั่นแหละเพราะบางรายเห็นมาแล้ว พอมาฝึกตนเข้าไปหน่อยหนึ่งสู้กิเลสไม่ได้ลักหนีไปก็มีลาหนีเอาซึ่งหน้าก็มีบางรายพอมาฝึกตนเข้าวัดอยู่ไม่กี่วันแล้วได้บวชพอบวชเข้ามาแล้วก็เดือดร้อนใหญ่ดีนนนอยากสึกคาลาเพศไปออย่างนี้มันมันมีมาแล้วเพราะฉะนั้นแหละ มเมื่อมันเป็นบทเรียนมาอย่างนั้นแล้วนะผู้ใดมาสมัครขอบวชในวัดนี้นะก็จึงต้องให้ได้ฝึกลโอารมณ์ตันตนไปพอสมควรก่อนเห็นว่าใจคอหนักแน่นพอที่จะประพฤติพรหมจรรย์ไปได้อย่างนี้แล้วจึงได้บวชให้เพราะอยากให้มันเสียเวลา เกลียมบวชกันไม่ใช่ง่ายการตั้งกองบวชแต่ละกองนั้นพ่อแม่พี่น้องต้องขวนขวายอะไรต่ออะไรเลี้ยงแขกเลี้ยงคนต้องใช้จ่ายเงินทองไปไม่ใช่น้อยเหมือนกันนี้บวชลูกบวชหลานแต่ละครั้งเพราะนั้นผู้เป็นลูกเป็นหลานเนี่ยมองต้องคิดดูอย่างนี้ ต้องคิดเห็นอกพ่อแม่ลุงป้านาอาพวกเขาสนับสนุนให้ตนได้มาบวช <c oughs> <c oughs> ใม่ควรที่จะไปทำใจให้ห ล, ละละอ่อนแอยอมพ่ายแพ้ถ่อมนันยอมเสียเกียรติยศถือเสียงใครว่าไงก็ตามบทวันจะรู่บทวันจะพยศมาแล้ว เหมือนกับควายพยศัวพยศเอาลากคลาดลากไถไปลากล้อลากเกวียนไปเดินไปดีดีบทมันจะพยศมาก็ทิ้งก้นออกจากนอกทางเกวียนไปซะอดแอะอย่างนี้เนื้อัวอย่างนั้นควายนั้นขเขาออกเขาขายไปเข้าหลักไปเลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมัน่ะ ไอ <c oughs> คนเราเนี่ยนะับว่ามีบุญกุศลถึงได้เกิดมาเป็นคนเราต้องรักษาความเป็นคนไว้ให้ได้รักษาเกียรติของความเป็นคนไว้ให้ได้เมื่อเราตัดสินใจลงว่าจะทำอะไรจะดำเนินชีวิตไปอย่างไรแล้วนี่ต้องให้มันเด็ดขาดลงไปตายเป็นตายจะพบอุปสรรคอย่างไรมาก็สู้ ม, มันต้องอย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นผู้รักษาเกียรติของความเป็นมนุษย์ไว้ไม่ได้ร้อนก็เอาเย็นนี่ธรรมดาบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายต้องมีความภาคเพียรเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่ว่าการเข้ามาบวชนี่จะไปคิดเสีวว่าอยู่บ้านอยู่เรือนทำแต่การแตงงานไม่ได้พักผ่อนเลยลำบากมากหนีไปบวชแล้วก็จะได้พักผ่อนบ้างคิดอย่างนี้แล้วเข้ามาบวชพอบวชเข้ามาแล้วไม่ไม่ทำอะไรแล้วพักผ่อนจริง เรียนทำเรียนวินัยก็ไม่เรียนอ่เอเพื่อนจากการให้ได้เรียนนักทำกันอย่างนี้พอเรียนไปหน่อยหนึ่งเห็นว่ามันยุ่งยากหยุดเสียไม่ไม่เรียนเอาดือด้อๆใครว่าไงก็ว่าไปอันนี้อันนี้ก็เรียกว่ารักษาเกียรติของความเป็นมนุษย์ไว้ไม่ได้เลย เพรนั้นทุกคนนะให้พึ่งเข้าใจคือว่าถือโอกาสตักเตือนเวลาอย่างนี้เพราะเวลามันยากหายากเหลือเกินที่จะได้มีโอกาสได้ตักเตือนได้แนะนําภารกิจอย่างอื่นก็ามากมาย <c oughs> ดังนั้นให้เข้าใจ ตามที่พูดให้ฟังมานี่เรื่องการบวชนะไอ้ชีวิตของคนสมัยนี้มันไม่เหมือนจะสมัยครั้งพระพุทธเจ้าคนสมัยนี้บุญมันน้อยแต่คนแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้มีบุญมากพอไปขอบวชกับพระองค์ในเวลานั้นพระองค์ก็บวชให้เวลานั้นเลยเพราะทรงรู้แจ้งแล้วว่าคนเหล่านี้มีบุญมากแล้ว อย่างนี้นะพอบวชเข้ามาแล้วตั้ง อ, อกตั้งใจทอความเวียนไม่นานก็สำเร็จมรรคผลเข้าไปแล้วอย่างนี้เลยสำหรับคนเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้นสมองก็ทึบเรียนอะไรก็จำไม่ค่อยได้หมนี่แล้วก็ไอความ ฉันท่าความพอใจในการกระทําคุณงามความดีก็อ่อนแอเต็มที่ทําอะไรก็ไม่เข้มแข็งไม่เอาจริงเอาจังไม่ทําความพอใจให้ยิ่งศึกษาแล้วเรียนอย่างนี้นะก็ไม่เอาจริงอย่าว่าแต่มาเรียนทำเรียนวินัยไม่เรียน ภาษาของชาติภาษาไทยเรียนวิชาความรู้ในทางโลกก็เหมือนกันบางคนไม่เอาไหนเลยอยู่ไปกับเพื่อนไปอย่างนั้นเล่นไปไปโรงเรียนก็ดีพอหมดวันหมดเวลาไปอยู่ไปปิพออายุครบพออายุครบแล้วเขาก็จำน่ายออกไปเลยได้ไม่ได้ก็ช่างทุกวันนี้ เพราะว่ามันโรงเรียนนั้นเนื้อที่ของโรงเรียนมันจํากัดเดี๋ยวเอาคนอื่นเข้าไปเรียนแทนคนที่เรียนมาแล้วนั้นได้หรือไม่ได้ก็โลกออกไปผู้ใดสอบได้ผู้ใดได้ดีก็เป็นโชคของผู้นั้นไปผู้ใดเกียจคร้านเฉยชา ก, ก็เลยตกกระป๋องไปไม่มีความรู้อะไรติดตัวของตัวออกไปจากโรงเรียนเลยไอ้อย่างนี้มันมีเป็นจํานวนมาก อั่นแหละมันสอสแสดงให้เห็นแล้วว่าคนบุญน้อยมันเป็นอย่างนั้นนะอันเข้ามาบวชในวัดวาศาสนานี่ก็ยิ่งแล้ยวใหญ่เลยนะี่อันนี้นําให้ท่องนับโกวาตหลักสูตรนักธรรมอย่างนี้ไม่อยากเอาเลยอันนี้และให้พากันเข้าใจไว้เราได้เข้ามาบวชอย่างนี้นะ อย่าไปทำตนเป็นคนอ่อนแอท้อแท้อย่างนั้นต้องทำตนให้เป็นคนเข้มแข็งจริงๆต้องเชื่อถ้อยฟังคาของอุปชาอาจารย์เมื่ออุปชาอาจารย์แนะนำให้ปฏิบัติตนอย่างไรทำอย่างไรต้องตั้งใจทำตามจริงๆต้องทำความพอใจที่จะทำตามคาแนะนาสั่งสอนของท่านเต็มที่เลย ใครเราไปไปเดินไปที่ไหนก่อนแล้วจะรีบไปไหนกันนะมันต้องอย่างนั้นาการที่จะเป็นคนดีอะ เพราะว่าเราวัฒนธรรมบารมียังน้อยอยู่สติปัญญาในก็น้อยอันนี้ถ้าเราไม่เคารพต่อคำแนะนำสั่งสอนของอุปชาอาจารย์เช่นนี้เราจะเป็นคนดีไม่ได้เลยคนเรามันทำดีได้นะทำไมจะทำไม่ได้แต่ที่มันทำไม่ได้เพราะมันไม่เชื่อมันไม่เคารพต่อครูบาอาจารย์ อันนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นจึงเตือนไว้ก่อนสำหรับผู้ที่เข้ามาขอบวชเรียนในวัดวาศาสนานี่นะถ้าคิดว่าตนนั้นจะไม่เคารพต่อคุปชาอาจารย์แล้วอย่าบวชเลยบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไระไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ดัะนั้นมันต้องตัดสินใจให้แน่วแน่ทุกคนเพราะว่าท่านบอกเข้ารู้ก็จะเข้าเลยละ่ะต้องตั้งใจลงอย่างนั้นจริงๆมันถึงจะการประพฤติพรหมจรรย์นี่จึงจะมีอนิสงส์มากจึงจะได้ผลคุ้มค่าที่เราเข้ามาบวช พ่อแม่พี่น้องก็จะได้อานิสง์ด้วยแล้วก็จะเราผู้เข้ามาบวชนี่ก็จะได้ตอบบุญแทนคุณมารดาบิดาลุงป้าน้าอาครูบาอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณไหล อย่าไปเข้าใจว่าเราไม่เป็นหนี้บุญคุณของท่านนะเกิดมาแต่ละคนเนี่ยเอาหนี้ติดตัวมาพร้อมแล้วนะหนี้บุญหนี้คุณแลยไม่ใช่หนี้เงินทองหรอกที่ท่านได้เลี้ยงดูเรานะั่นน่ะนึกดูหรือเปล่ามารดาบิดาเนะี่ะมีเมตตากรุณามีความรักใคร่เอ็นดูต่อลูกเหลือล้นพ้นประมาณจึงเลี้ยงลูกใหญ่มาได้ ถ้ามารดาบิดาขาดเมตตาจิตนี้แล้วท่านปล่อยให้เราตายแต่ยังน้อยนนเราก็ตายแล้วป่า น, นี้เพราะเราช่วยตัวเองไม่ได้เลยนี่เกิดมาทีแรกนะที่จะใหญ่โตมาได้บัานี้นะโอ้ยมารดาบิดาต้องทันนุทนนอมเอาซะเต็มที่เพืนะไม่เห็นแก่ความยากลำบากเลย สักผ้าขี้ตีผ้าเยี่ยวสรพัฒน์าว่าอยู่ในความอุปการะของมารดาเลยเป็นส่วนใหญ่บิดานั่นเรียกว่าอยู่วงนอกบิดานั้นเป็นผู้รับผาระหาเงินหาทองมาจุนเจือมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเมียนั้นก็เลี้ยงลูกไอ้ผัวไปหาเงินทุกข์กับตามลาบากนู่นนะ กลัวจะเลี้ยงลูกใหญ่แต่ละคนนะ่ะมันต้องคิดให้เห็นว่าเรานี่เนี่ยเป็นลูกหนี้ของท่านแน่นอนเลย น, ะนี่บุญนี่คุณนะ่ะทําอย่างไรน่ะเราจึงจะชดใช้นี่บุญคุณนี่ได้พระพุิธเจ้าตรัสว่าบวชแลเป็นการใช้นี่บุญคุณของท่านผู้มีอุปการะตนได้ เป็นอย่างดีเป็นอย่างสูงสูงกว่าผู้อยู่ครองเรือนแล้วอุปถรัรมภ์บำนุงมานดาบิดาเพราะว่าผู้ที่เข้ามาบวชแล้วนี่พ่อแม่ก็ดีอกดีใจไ อ, อลูกของตนได้ล่วงเกินพ่อแม่มาอย่างไรพ่อแม่ก็เอาโหสิกรรมให้หมดไม่ถือโกรธถือเกลียดเลยดูสิพ่อกับแม่นะ พ่อแม่ถึงได้บุญด้วยนั่นเนี่ยถ้าว่าลูกนั่นน่ะบวชเรียนทรรมวินัยไปฝึกฝนอบรมจิตใจตัวเองไปได้ความรู้ความฉลาดในธรรมในวินยัยตนก็มีคุณธรรมอยู่ในใจอย่างไรแล้วก็พยายามไปแนะนำชักจูง พ่อแม่ที่มีความเห็นผิดให้เกิดความเห็นถูกขึ้นมาพ่อแม่ยังทำความช่วยอยู่ก็แนะนาให้ละความช่วยให้ทำความดีได้ออย่างนี้เนี่ยยิ่งเป็นการตอบบุญแทนคุณค่าเข้าป้อนและน้ำนมของพ่อของแม่ได้เป็นอย่างสูงทีเดียวเลยแต่ผู้เป็นนักบวชเนี่ยพ่อแม่เคารพนี่ถ้าทำดีจริงๆนะ ถ้าทำตัวเป็นพระเป็นเนรจริงๆพ่อแม่ก็กราบก็ไหว้นนนะไอ้คิดดูดังนั้นมันจะไม่เป็นการตอบแทนบุญคุณท่านได้อย่างไรล่ะไอ้ทีนี้ถ้าว่าตนทำไม่ดีก็พฤดเหลวไหลใจคอหลอดแหลกไม่ฝึกตนให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นด้วยดีอย่างนี้แล้วก็ พ่อแม่ก็ไม่นับถือแล้ววันนี้ทำให้พ่อแม่เสียใจอีกซ้ำนะโอโ้ลูกเรานี่บวชทั้งทีเอาดีก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ทำให้พ่อแม่หนักใจเลยการบวชเช่นนั้นนับว่าได้ได้ได้ประสบในสิ่งที่ไม่ใช่บุญซะแล้วไม่ใช่ได้บุญนะวันนี้น ะ, ะเพราะนั้นทุกคนให้ระลึกไว้เสมอ เมื่อเราบวชเข้ามาแล้วเราจะต้องประพฤติตนทำตนให้พ่อแม่ยินดีด้วยจริงๆให้อุปชาอาจารย์ยกย่องนับถือจริงเราจะไม่ทำตัวเป็นคนเลวให้ตั้ง อ, อกตั้งใจไว้อย่างนี้ <c oughs> และให้ตั้งใจว่าเราจะต้องเรียนทำเรียนวินัยให้ได้ ปวเข้ามาแล้วนะ่ะเพราะว่าธรรมวินัยนี่แหละเป็นตัวของพุทธศาสตรนานะ่ะให้เข้าใจคําว่าเรานับถือ พ, พุทธศาสตร์นาก็นับถือธรรมนับถือวินัยเนี่นะทำว่านับถือต้องเรียนรู้ที่ต้องจําให้ได้เมื่อเรียนรู้จําได้แล้วก็ลงมือปฏิบัติตามสิ่งใดที่ทรงสอนให้ละเว้นเราก็เว้นสิ่งใดที่ทรงสอนให้ทําตามเราก็ทำมาหนี้ อย่างนี้จึงเรียกว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นหละเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปด้วยความไม่ประมาท